ภ <c oughs> าวานาอย่าสิไปข่าเร้อย่าไปข่าว่าให้ผูนน้นั้นฆ่าเหตุผู้นี้ฆ่าเห็ุซะก่อนไ่ต้องข่าไม่ต้อต ง, ตงไปให้ผู้ใดมาฆ่าเหตุหกับภาวานาเอาเห็ุเอาเองโหลดผู้เดียวอยู่ผู้เดียวแห่งดีภาวานาอันอยู่น้ากันหลายคนมันมีแนวเวบามันมีแนวมันได้เห็นกัน เขามาทังตาแค่น้อยกว้าเขามาทั้งหูจเสิ็บ่เป็นภาวนาดอกกเห่าอยู่ผู้เดียวอยู่มิดมิดนั่นละกำหนดใจเลยซ่อมเบ่งใจเจ้าของใจมันพุ่มมันเห็นบ่ใจมันอยู่บ่นั่นหละเป็นภาวนาเลยไปไม่เห่าซ่อมเน่ะบ่ต้องไปถามว่าโอ้ยอาจารย์ท่าเหตุไปอยู่วัดสักอน มูฆ้าเห็ดสะกอนจังค่อยสีเฮ็ดจังสีเป็นภาวนาโมแมนจังสั่นเลยอยู่บ้านอยู่เพื่อนเนาะกับเฮ็ดรดมาแต่ยำได้วางแล้วเนาะคืดคอว่าโอ้เขาซ่อมใจหยอกของมึง ก, กันนะซ่อมใจเวท่านเห็นกต่ซ่อมล่มหันใจเน่ะล่มหันใจเข่าล่มหันใจเอาไปซ้อมนี่ น, น, อยอยนั่นแหละเดีกเชักหน่อยเงิน ใจมันอยู่แล้วมันถิอซ่อมมังดอกเออยเอามีใจอยู่ตัวนี่ใจดีตัวมันนี่ใจเย็นใจใจเย็นสบายมันสิคงจัดดอกมันก็ถิเห็นเนี่ยสันแล้วถือเห็นใจเจ้าของหรือเปล่าเขาว่าหน้า่นะลรอให้ซ่อมเจ้าของเอาเชงสันเพราต้องไปถ่าผู้ใดดอกไอ้ผู้นั้นมาเจ้าตนผู้หนี่มาจ้าตนไอ้ผู้นั่น ผ, น, นผ้าเย็ดผู้หนี่พ้าเย็ดอย่าไปถ่าเด้อคันเท่าเฟ เขาข่ายเหตุอยู่นึ่งแต่ว่าเขาโบเขาบบเพิ่งเจ้าของได้เพิงเจ้าของบ่ได้จะเพื่อต้องไปเพิงแต่วัดต้องไปเพิงใ้ครูบาอาจารย์ด้วยกันคันหาเขาตายไปหมดเลยแล้วเลยบ่ได้เหตุยัยงเขาบ่ได้บ่ได้ยังอันนี้เอาโลดเหตุเอาโลดยุสัยจะซ่อมโลดได้ซ่อมใจซ่อมลมหันใจเจ้าของ การซ้อมต้องมันใจกันประานนัดจะซ้อมเมื่อว่าจะฟ้องนั่งอยู่บ่รือยืนอยู่อยู่นอนอยู่ยังสิมันเป็นหลอดดอกตัวหน้าไม่ต้องไม่ต้องไปถาไม่ต้องไปถ่ายยาำในดอกไม่ยามเข้าไปอยู่ในผูในข้นในลายแท้วแท้วอยู่นั้นอารเข้าซ้อมมื่อจะฟ้องก็เป็นภาวนาหรือเด้น่ะพอซ้อมปั๊บเขามาในใจมันอยู่หลดมัน สงบนหลุเดชสั่นให้ใจสงบแล้วเขาเขาติดซ่อมเบิงเ่งอมมันนี้จริงแหวนรอมันมี่พูนั่นพู น, นี่เนาเนี่ยเขาแกล้มมันเป็นอย่างสั่นเพว่าสงบมันเป็นอย่งเสียมันสีเห็นเนี่ยมันติดดีเลุดดอกชื่อว่าสรุปแล้วนั่นใช้สีภาพวนาเป็นบบเป็นอยู่กับเจ้าของโบยู่กับผู้อาอาจารย์ดยอกโบยู่กับมูด่ดอก มันสิเป็นแเราต้องมันซ่อมเจ้าของมันซ่อมกายเจ้าของซ่อมกายเจ้าของว่ามันนั่งอยู่หรือมันเดินด้วยสิซ่อมร่มชันใจเจ้าของยังไงแต่ถ้ามันซ่อมเจ้าของเราเป็นมันเป็นมันติดเป็นพวกเป็นคนดิบมันอยู่กับเจ้าของนั่นแหละเจ้าของเพ็รดุมันเพ็ดมันดูมมันซ่อมเป็นภาวนาแนลสีดีมันจะได้อยู่งรอบนี่งพไปได้ไกลดอกเมื่อบ้านแล้วก็ะเทศ เห็ดยังอยู่ไปเห็ดเห็ดกับเข่ากับน้ำอาบน้ำอาบไม่เยี่ลักน้ำทำเข่าอยู่เห็ดได้เมื่อไล่ะว่าจะเอาซ่อมหูมือจะคล้องเป็นซ่อมจะคองหูมอจลองเป็นภาวนาทั้งนั้นแ่ะมันมันไดีมันดีน้าแม่มุนีเนี่ยะเนี่ยมัวไปดีน้ำกูบาอาจารย์หรอกเขาภาวนาเป็นเขาเขาบมเมนตเมื่อภาวนาเป็นย่วัดเนีส่วนมากแต่เขาไปยุน้า น้ำบาตน้ำห้วงน้ำธงน้ำหน้าไม่ใี่หรอกเน่ยมันเกิดขึ้นมาเลยนเกิดขั้วสงบทเห็นมามใจธรรมดาข้างสมนดมากมันเกิดพออยู่แต่กันมันเป็นเพาวหน้ามันเป็นเองปะได้เนีมันย้่วมุ่งไปเลยเด้เย็นสบายยิ่งหจั๊กเองเด้อท่นจันหลับบัดมันที่เป็นมันเป็นอยู่ขุ่นเนี่ยผมว่าเป็นอยู่เลาะนีต่อมาหนี่เข้ามาเฮียนวิซาคือเฮียนเอาแล้วเอาไปใส่ประเทศ คือเจงาไปซื้อบกยศน้าเจ็กสินะซือบกยกน้ำเจ็กเบัตรที่เอาไปใส่โยดยื้ไปคุดขว่คุดสวนเขาาไปนั่นแหละแต่มันจิเป็นฝนนะคุดเอายังสั่นเลือภาวนายี่ยคุดหวังวาปุนันศิมาปุณิศิมาสะคอนู้นันผาเฮ็ดผู้ณา้เฮ็ดเกเฮ็ดเขาหวังเก่งสั่นมึงโอ้ยมันทานมาดนแล้วขอเาวังนี่ละหวังวาปุนันศิมาผ้าปุณิมาผ้าผ้าเฮ็ดเจ้ว่ามันไกมาหอดปลนนี้ บันให้เขาโหลดก่น